เรื่องพระฉับ พ, พัีสงน้ำขัดสีกายกับฝาสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัีสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับฝาคนทั้งหลายตาหนิประนามโพรทนาว่า ไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงส่งน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับฝาเหมือนพวกนักมวยปล้ำเหมือนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอาย มีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาจึงตำหนิประนามโพรทนาว่าฉไหนพวกภิกษุฉับ พ, พคัคคีจึงสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับฝาเล่าครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ